3. อาปฏิสมุธานคาถาว่าด้วยคาถาแสดงสมุธานแห่งอาบัตถามพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีที่สุดทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงเห็นวิเวกได้ตรัสบอกสมุธานทางกายไว้แล้วอาบัตที่เกิดโดยสมุธานนั้นมีเท่าไหร่ข้าพเจ้าขอถามท่านผู้ฉลาดในวิพังโปรดบอกข้อนั้นเถิดตอบ พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีที่สุดทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงเห็นวิเวกได้ตรัส <nosso S 1> บอกสมกุทฐานทางกายไว้แล้วอาบัติที่ทเกิดโดยสมุทฐานนั้นมีอยู่ห้าท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพเจ้าขอบอกข้อนั้นแก่ท่าน <N UR S> พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีที่สุดทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงเห็นวิเวกได้ตรัสบอกสมกุทฐานรรทางวาจาไว้แล้ว อาบัต ท, ที่เกิดโดยสมุฐานนั้นมีเท่าไหร่ขาพระเจ้าขอถามโปรดบอกข้อนั้นเถิดท่านผู้ฉลาดในวิพังพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีที่สุดทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงเห็นวิเวกได้ตรัสบอกสมุฐานทางวาจาไว้แล้วอาบัต ท, ที่เกิดโดยสมุฐานนั้นมีอยู่สี่ท่านผู้ฉลาดในวิพังเขาพเจ้าขอบอกข้อนั้นแก่ท่านพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีที่สุด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 อาบัต ท, ที่เกิดโดยสมุฐานนั้นมีอยู่ห้าท่านผู้ฉลาดในวิพังเขาพรเจ้าขอบอกข้อนั้นแก่ท่านพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมไม่มีที่สุดทรงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทรงเห็นวิเวกได้ตรัสบอกสมุฐานทางกายทางจิตไว้แล้วอาบัต ท, ที่เกิดโดยสมุฐานนั้นมีเท่าไหร่เขาพรเจ้าขอถามโปรดบอกข้อนั้นเถิดท่านผู้ฉลาดในวิพัง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 ทางจิตไว้แล้วอาบัติที่เกิดโดยสมุธานนั้นมีอยู่หกท่านผู้ฉลาดในวิพังเข้าระเจาขอบอกข้อนั้นแก่ท่านอาปติสมุธานคาถาที่สาม ปฏิปัจจยาวาระวาระว่าด้วยความวิบัติเป็นปัจจัยถามเพราะศีลวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบเพราะศีลวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัติสี่อย่างคือ 1. ภิกษุณีรู้อยู่ปกปิดธรรมคือปราชิกต้องอาบัติปราชิก 2. ภิกษุณีสงสัยปกปิดต้องอาบัติทุลจัย สาิกษุปกปิดอาบัาสังฆาทิเศตต้องอาบัตสปาจิตตีสี 4. ภิกษุปกปิดอาบัตาชั่วยาองตนต้องอาบาสทุกกฏเพราะศีลวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัาศีอย่างนี้ถามอาบัตสเหล่านั้นบรรดาวิบัสศีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตสเหล่านั้นบรรดาวิบัสศีอย่าง จัดเป็นวิบัติสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตส4กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตทุนละใจสามกองอาบัตปาจิตตีสี 4. กองอาบัตทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต บรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสามุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกระณะสสามุขาวินัยและตินนวัธาระกะถามเพราะอาจารวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะอาจารวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตหนึ่งอย่าง คือภิกษุปิดอาจารวิบัติต้องอาบัตทุกกฎเพราะอาจารวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัสสีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัสสีอย่างจะเป็นวิบัสตหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติ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 สามสามุคขาวินัยและตินนวัารกะถามเพราะทิฏฐิวิัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหรตอบเพราะทิฏฐิวิัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งพิสูุไม่ฉลาทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งจบยตัติต้องอาบัตทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุกกฎสองตัว2 จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาจิตีเพราะทิฏฐิวิบัตเป็นปัจใจต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจะเป็นวิบัตเท่าไหร่บรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจะเป็นวิบัตหนึ่งคืออาจารวิบัต บรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบาดสองกองคือหนึ่งกองอาบัตดปาจิตตีสองกองอาบาด ท, ทุกฏบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอาทิกรสี่อย่างจัดเป็นอาบาดตาธิกกรบรรดาสมถฏฐาเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถฏฐาสมอย่างคือหนึ่งสามุขาวินัย 2ปฏิญญาตากระณะ 3. ส, สั ม, มุคาวินัยและตินนวัารกะถามเพราะอาชีววิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะอาชีววิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตหกสมุทฐานคือ 1. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วช้าถูกความอยากครอบงำ กลาวอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัติปราชิก 2. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุทำหน้าที่ชักสื่อต้องอาบัติสังฆาทิเศษสามเพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุกล่าวว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหรันต์เมื่อผู้ฟังเข้าใจต้องอาบัติทูลละใจ 4. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะพิสษุออกปากขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อประโยชน์ของตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตี 5. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะพิสษุนีออกปากขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อประโยชน์ของตนแล้วฉันต้องอาบัปตปาติเทชนียนะ 6. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะ ภิกษุไม่เป็นไข้ออกปากขอแกงหรือเข้าสุกมาเพื่อประโยชน์ตนแล้วฉันต้องอาบัตทุกกฎเพราะอาชีววิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตห6อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจะเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตินอย่างจะเป็นวิบัติสองอย่าง คือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาระวิบัติบรรดากองอาบัติ 7. จกองจัดเข้ากองอาบัติ 6. กองคือ 1. กองอาบัติปารชิก 2. กองอาบัติสังคาธทิเศษส 3. กองอาบัติทุลใจ 4. ่สกองอาบัติปาจิตตี 5. ้ากองอาบัติปาติเทสนิยะ6กองอาบัติทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติ6สมุทฐาน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 บรรดาอาธิกรสี่อย่างจะเป็นอาปตตาธิกรบรรดาสมถะเจอย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือหนึ่งสามมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกระณะ 3. สามมุขาวินัยและตินนวัารกะวปิปัติปัจญยวาระที่สจบ 5. อธิกรณะปัจญยวาระวาระว่าด้วยอธิกรเป็นปัจจัย ถามเพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งภิกษุกล่าวเสียสีอุปสัมบัญต้องอาบัตปาจิตติสอภิกษุกล่าวเสียสีอนุปสัมบัญต้องอาบัตทุกกฏเพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติสีอย่าง จัดเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติสอย่างจัดเป็นวิบัติ1อย่างคืออาจาระวิบัติบรรดากองอาบัต7จกองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ1กองอาบัตปาจิตติสอกองอาบัตทุกกฏบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตห6สมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐาน3สมุธฐานคือ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 ถามเพราะอนุวาราธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะอนุวาราธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสาอย่างคือหนึ่งหภิกษุใส่ความภิกษุด้วยอาบัตชั้นปาราชิกที่ไม่มีมูลต้องอาบัตสังฆาทิเศษสอภิกษุใส่ความภิกษุด้วยอาบัตสังฆาทิเศษที่ไม่มีมูลต้องอาบัตปาจิตีสา 3. พิสุใส่ความภิกษุด้วยอาจารวิบัติที่ไม่มีมูลต้องอาบัตทุกกฎเพราะอนุวาทาทุกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสาอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติสีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไร่บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสสีอย่างจะเป็นวิบัติ์สองอย่างคือหนึ่งสีลวิบัติ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 3. เกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกร4สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สามุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตกรณะ 3. สามุขาวินัยและติ น, นวัารักะถามเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบ เพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสี่อย่างคือหนึ่งภิกษุณีรู้อยู่ปกปิดธรรมคือปราชิกต้องอาบัตปราชิก 2. ภิกษุณีสงสัยปกปิดต้องอาบัตทูลจัย 3. ภิกษุปกปิดอาบัตสังขาริเศตต้องอาบัตปาจิตตีสี 4. ภิกษุปกปิดอาจาราวิบัติต้องอาบัาสสปปตทุกกดเพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยต้องอาบัตสีอย่างเหล่านี้ ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิปัสสอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัติสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาระวิบัติบรรดากองอาบัตเจดกองจะเข้ากองอาบัตสกองคือ1กองอาบัตปราชิก2กองอาบัตทุลใจ 3. กองอาบัตปาจิตตีสีกองอาบั ต, ต, ต, ออบตทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเคยเกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกร4สี่อย่างจัดเป็นอาบัตตาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถทะสามอย่างคืหนึ่งสามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตการะณะ สามสามุคขาวินัยและตินวัธารกะถามเพราะกิจจาที่กรเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะกิจจาที่กรเป็นปัจจัยต้องอาบัต5อย่างคือ 1. ภิกษุณีผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกสงลง อ, อุเคปณิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งจบญาติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรมาวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจสามจบกรมาวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปราชิก 4. ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมเพราะสง์ส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสังฆาทิเศษ 5. ภิกษุไม่สละทิฏฐิบาปจึงกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตปาจิตตี เพราะกิจจาที่ก่อนเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดาสมถะเจอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัสสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาราวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตห5กอง คือหกองอาบัติประชิก 2. กองอาบัติสังขารทิเศษสากองอาบัติทุลใจัย 4. กองอาบัติปาจิตตีห้ากองอาบัติทุกกฎบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกรสี่อย่างจะเป็นอาบัติตาธิกร บรรดาสมาถะเจ็อย่างระ ง, งับด้วยสมาถะสมอย่างคือหนึ่งสามมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกระณะ 3. สามมุขาวินยัยและตินนวัธารกะถามเว้นอาบัตเ7เว้นกองอาบัตเ7เสียอาบัตนอกนั้นบรรดาวิบัติ4จะเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตไหนบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐาน เกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรบรรดาอธิกรสี่จัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถาเจอย่างระงับด้วยสมถะาเท่าไรตอบเว้นอาบัตเจดเว้นกองอาบัตร7เสียอาบัตนอกนั้นบรรดาวิบัติ4ไม่จัดเป็นวิบัตไหนบรรดากองอาบัตร7กองไม่จัดเข้ากองอาบัตไหนบรรดาสมุธฐานอย่งอาบัตห6สมุธฐานเมื่อเกิดด้วยสมุธฐานไหน บรรดาอาธิกรณสี่ไม่จัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็ดอย่างไม่ระ ง, งับด้วยสมถะไหนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะเว้นอาบัตเจ็ 7, เว้นกองอาบัตเจ็ดเสียก็ไม่มีอาบัตอย่างอื่นอธิกรณ์ปัจยวาระที่หจบอันตรเปิญาณจบหัวข้อบอกวาระกติปุจชาวาระสมุทฐานวาระ กาตาปติวาระอาปัติสมุทธานวาระวิปัติวาระและอธิการณวาระสมถะเพศว่าด้วยประเภทแห่งสมถะ 6. อธิกรณปริยายาวาระ วาระว่าด้วยการอธิบายอธิกรณ์วิวาธาธิกรณ์มีอะไรเป็นหัวหน้ามีฐานเท่าไรมีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไรมีเหตุเท่าไร่มีมูลเท่าไหร่ภิกษุวิวาทกันด้วยอาการเท่าไรวิวาธาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะเท่าไหร่อนุวารธาธิกรณ์มีอะไรเป็นหัวหน้ามีฐานเท่าไหร่มีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไร มีเหตุเท่าไร feature, มีมมลเท่าไรภิกษุโจอดด้วยอาการเท่าไรอนุวาตาทิกรระ ง, งับด้วยสมถะเทา่าไรอาปตาธิกรมีอะไรเป็นหัวหน้ามีฐานเ ท, ท, ท่าไรมีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไรมีเหตุเท่าไรมีมมลเท่าไรภิกษุต้องอาบัตด้วยอาการเท่าไรออาปตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเทา่าไร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 มีความไม่โกรธเป็นหัวหน้ามีความไม่หลงเป็นหัวหน้าถามมีฐานเท่าไรตอบมีฐานคือเรื่องทำความแตกราว18ประการถามมีวัตถุเท่าไรตอบมีวัตถุคือเรื่องทาความแตกราว18ประการถามมีภูมิเท่าไรตอบมีภูมิคือเรื่องทำความแตกราว18ปประการถามมีเหตุเท่าไร ตอบมีเหตุ9คือกุศละเหตุสามอกุศละเหตุสามอพยากตะเหตุสามถามมีมูลเท่าไหร่ตอบมีมูล12ถามภิกษุวิวาทกันด้วยอาการเท่าไหร่ตอบภิกษุวิวาทกันด้วยอาการสองคือ 1. เห็นว่าเป็นธรรม 2. เห็นว่าเป็นอธรรมถามวิวาทาทิกอ ร, ร์ระงับด้วยสมถะเท่าไหร่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 ตอบมีฐานคือวิปัสสีถามมีวัตถุเท่าไรตอบมีวัตถุคือวิปัสสีถามมีภูมิเท่าไรตอบมีภูมิคือวิปัสสีถามมีเหตุเท่าไร่ตอบมีเหตุ9คือกุศลเหตุสามอกุศลเหตุสามอภยกตะเหตุสามถามมีโมลเท่าไรตอบมีโมล14ถาม ภิกษุโจทย์กันด้วยอาการเท่าไรตอบภิกษุโจทย์ด้วยอาการสองคือหนึ่งวัตถุสองอาบัตถามอนุว า, าทาธิกอร์ระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุว า, าทาธิกอร์ระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือหนึ่งสมุขาวินยัย2สติวินยัย 3. อมูลหาวินยัย 4. ตัสปาปิยาสิกา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 ถามมีภูมิเท่าไร่ตอบมีภูมิคือกองอาบัตเ7กองถามมีเหตุเท่าไร่ตอบมีเหตุ9คือกุศลเหตุสามอกุศลเหตุสามอภยากตะเหตุสามถามมีมูลเท่าไหร่ตอบมีมูลคือสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานถามภิกษุต้องอาบั mm. ตด้วยอาการเท่าไหร่ตอบภิกษุต้องอาบัตด้วยอาการหคือ 1>, 1. ไม่ละอายสองไม่รู้ 3. สงสัยแล้วขืนทรรม 4. สำคัญในของไม่สมควรว่าสมควร 5. าสำคัญในของสมควรว่าไม่สมควร 6. ลืมสติถามอาปาตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาปัตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสา 3. คือหนึ่งสามมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกรระ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 ตอบมีวัตถุคือกรรมสี่ถามมีภูมิเท่าไรตอบมีภูมิคือกรรมสี่ถามมีเหตุเท่าไหร่ตอบมีเหตุ9คือกุศลเหตุสามอกุศลเหตุสามอภิยกตะเหตุสามถามมีมูลเท่าไหร่ตอบมีมูลหนึ่งคือสงถามกิดเกิดด้วยอาการเท่าไรตอบกิดเกิดด้วยอาการสอง คือหนญติสองอปโลกถามกิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบกิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะหนึ่งคือสามุขาวินยัยถามสมถะมีเท่าไหร่ตอบสมถะมีเจ็คือ 1. สมุขาวินยัย 2. สติวินยัยสามอมุลหะวินยัย 4. ปฏิญญาตะกระณะ 5. เยผุยสิกา หตัสปาปยัสิกา 7. ตินนวัธารกะสมถธมีเจ็ดเหล่านี้สมถะเจ็ดเหล่านี้เป็นสมถะสิบก็มีสมถะสิบเป็นสมถะเจ็ดก็มีมีโดยอ้อมด้วยอำนาจวัตถุถามพึงเป็นได้อย่างไรตอบวิวาทาธิกรณ์มีสมถะสองอนุวาทาธิกรณ์มีสมถะสี่อปาตาธิกรณ์มีสมถะสาม กิจจาธิกรมีสมถะหนึ่งอย่างนี้สมถะเจ็ดเหล่านี้เป็นสมถะสิบสมถะสิบจึงเป็นสมถะเจ็ดโดยอ้อมด้วยอำนาจวัตถุอธิกรณะปริยายวาระที่หจบ สาธารณวาระวาระว่าด้วยสมถะทั่วไปถามสมถะเท่าไรทั่วไปแก่วิวาทาิกรสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่วิวาทาิกรสมถะเท่าไรทั่วไปแก่อนุวาทาิกรสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่อนุวาทาิกรสมถะเท่าไรทั่วไปแก่อาปัตตาทิกรสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่อาปัตตาทิกร สมถะเท่าไรทั่วไปแก่กิจาธิกรสมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่กิจาธิกรตอบสมถะสองอย่างคือหนึ่งสัมมุขาวินสองเยปุยสิกาทั่วไปแก่วิวาธาธิกรสมถะห้าอย่างคือหนึ่งสติวินสองอมูลหาวินยัย 3. ปฏิญญาตะการณะ 4. ตัสปาปิยสิกาหา ตินนวัธารกะไม่ทั่วไปแก่วิวาทาธิกรตอบสมถะสีอย่างคือ 1. สมมุขวิไนสองสติวิไนัยมอมูลหะวิไนัย 4. ตัสปาปิยสิกาทั่วไปแก่อนุวาทธาธิกรสมถะสามอย่างคือ 1. เยผุยาสิกา 2. ปฏิญญาตะการณะสตินนวัธารกะ ไม่ทั่วไปแก่อนุวาาธิกรสมรถะสามอย่างคือ 1. สามุขาวินัยสองปฏิญญาตะกระณะสติ น, นวถารกะทั่วไปแก่อาปตตาธิกรสมถะสีอย่างคือ 1. เยพุยสิกาสองสติวินัยสอมอมลหะวินัยสตัสปาปิยสิกาไม่ทั่วไปแก่อาปตตาธิกร สมถะหนึ่งอย่างคือสมุขาวินัยทั่วไปแก่กิจจธิกรสมถะหอย่างคือหนึ่งเยพุยศิกาสองสติวินัยสามอมูลหวินัยสีปติญญาตากรณะหตัสปาปิยสศกาหตินะวถารกะไม่ทั่วไปแก่กิจจธิกรสาธรณวาระที่เจ็ดจบ 8. ตภาคิยวาระวาระว่าด้วยเป็นส่วนนั้นถามสมถะเท่าไรเป็นส่วนนั้นแห่งวิวาทิกรสมถะเท่าไรเป็นส่วนอื่นแห่งวิวาทิกรสมถะเท่าไรเป็นส่วนนั้นแห่งอนุวาทิกรสมถะเท่าไรเป็นส่วนอื่นแห่งอนุวาทิกรสมถะเท่าไรเป็นส่วนนั้นแห่งอาปัตตาทิกร สมถ t เท่าไรเป็นส่วนอื่นแห่งอาปัตตาธิกรสมถ t เท่าไรเป็นส่วนนั้นแห่งกิจจาธิกรสมถ t เท่าไรเป็นส่วนอื่นแห่งกิจาธิกรตอบสมถ t h สองอย่างคือหนึ่งสมุคขาวินยัยสองเยปุยสัสกาเป็นส่วนนั้นแห่งวิวาธาธิกรสมถ t h ห้าอย่างคือหนึ่งสติวินยัยสองอโมลาหาวินยัย สปฏิญญาตะกระณะ 4. ตัสปาปิยสิกา 5. ตินนวัธารกะเป็นส่วนอื่นแห่งวิวาธาธิกอนสมถะสี่อย่างคือหนึ่งสา ม, มุขาวินยัยสองสติวินยัยสมอมูลหะวินยัยสตัสปาปิยสิกาเป็นส่วนนั้นแห่งอนุวาธาธิกอนสมถะสามอย่างคือ 1. เยพุยาสิกาสองปฏิญญาตะกระณะ สามติ น, นวธารกะเป็นส่วนอื่นแห่งอนุวาตาธิกรสมถะสามอย่างคือ 1. สมุขาวิไนสองปฏิญญาตะกรณะสติ น, นวธารกะเป็นส่วนนั้นแห่งอาปัตาธิกรสมถะสีอย่างคือ 1. เยพุญยสิกาสองสติวินยัยมอมูลหาวิไนสี่ตาสปาปิยสิกา เป็นส่วนอื่นแห่งอาปัตตาธิกรสมถะหนึ่งอย่างคือหนึ่งส ม, มุขาวินยัยเป็นส่วนนั้นแห่งกิจจาทิกรสมถะหสมุทฐานคือหนึ่งเยปุยสิกาสองสติวินยัยสมอมูลหะวินยัยสปฏิญญาตากะการะห้าตัสปาปิยะสิกาหตินวัธารกะเป็นส่วนอื่นแห่งกิจจาทิกร ตาภาคียาวาระที่แปดจบเก้สมถะสมทัศะสาธารณะวาระวาระว่าด้วยสมถะทั่วไปและไม่ทั่วไปแก่สมถะสมถะทั่วไปแก่สมถะสมถะไม่ทั่วไปแก่สมถะสมถะที่ทั่วไปแก่สมถะก็มีสมถะที่ไม่ทั่วไปแก่สมถะก็มีถามสมถะทั่วไปแก่สมถะอย่างไร สมถะไม่ทั่วไปแก่สมถะอย่างไรตอบเยผุยสิกาทั่วไปแก่สั ม, มุขาวินัยไม่ทั่วไปแก่สติวินัยอมูลหะวินัยปฏิญญาตะกระณะ ต, ตัสปาปิยสิกาตินนวถารกะสติวินัยทั่วไปแก่สัมมุขาวินัยไม่ทั่วไปแก่อมูลหะวินัยปฏิญญาตากระณะ ต, ตัสปาปิยสิกาตินนวถารกะ เยผุยสิกาอมูลหาวิไนทั่วไปแก่สามุขาวิไนไม่ทั่วไปแก่ปฏิญญาตะกระณะตัสปาปิยสิกาตินาวทารกะเยภุยสิกาสติวิไนปฏิญญาตะกระณะทั่วไปแก่สามุขาวิไนไม่ทั่วไปแก่ตัสปาปิยสิกาตินาวัารกะเยภุยสิกาสติวิไนอมูลหาวิไน ตาสปาปิยสิกาทั่วไปแก่สามุขาวิันไม่ทั่วไปแก่ตินนวทารกะเยพุยสิกาสติวิันอมูลห่วิไนปฏิญญาตะการณะตินนวทารกะทั่วไปแก่สามุขาวินัยไม่ทั่วไปแก่เยพุยสิกาสติวิันอมูลห่วิไนปฏิญญาตะการณะตัสปาปิยาสิกาสมถะทั่วไปแก่สมถะอย่างนี้ สมทาไม่ทั่วไปแก่สมถทาอย่างนี้สมทาสมัทธะสาธารณวาระที่เก้าจบส0สมทาสมัศะตับาคิยวาระวาระว่าด้วยสมถทาเป็นส่วนนั้นแห่งสมถทสมถทเป็นส่วนนั้นแห่งสมถทสมถทเป็นส่วนอื่นแห่งสมถทสมถทที่เป็นส่วนนั้นแห่งสมถทก็มีสมถทที่เป็นส่วนอื่นแห่งสมถทก็มี ถามสมถ ะ, ะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะอย่างไรสมถ ะ, ะเป็นส่วน อ, อื่นแห่งสมถะอย่างไรตอบเยปุยสิกาเป็นส่วนนั้นแห่งสามุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งสติวินัยอมูลหาวินัยปฏิญญาตกระณะตัสปาปิยสิกาตินาวัารกะสติวินัยเป็นส่วนนั้นแห่งสามุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งอมูลหาวินัย ปติญญาตกรณะตัสปาปิยสิกาตินวถาฐะรกะเยพุยสิกาอมูลหาวินัยเป็นส่วนนั้นแห่งสัมุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งปติญญาตกรณะตัสปาปิยสิกาตินวถาฐะรกะเยพุยสิกาสติวินัยปติญญาตกระณะเป็นส่วนนั้นแห่งสัมุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งตัสปาปิยสิกาตินวัฏรกะ เยพุยส oh okay, ิกาสติวินัยอโมลหาวินัยตาสปาปิยสิกาเป็นส่วนนั้นแห่งสามุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งตินนวัารกะเยพุยสิกาสติวินัยอโมลหาวินัยปติญญาตะกรณะตินนวัารกะเป็นส่วนนั้นแห่งสามุขาวินัยเป็นส่วนอื่นแห่งเยพุยสิกาสติวินัยอโมลหาวินัย ปติญญาตกระนาตัสปาปิยสิกาสมถฏาเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะอย่างนี้สมถะเป็นส่วนอื่นแห่งสมถะอย่างนี้สมัฏฐาสมัฏสสะตัปภาคิยวาระที่สิบจบ11บเอสมัฏฐาสมุขวินยวาระวาระว่าด้วยสมถะคือสมมุขวินัยสมถะคือสมมุขาวินัย สามุขาวินัยคือสมถะสมถะคือเยผุยสิกาเยผุยสิกาคือสมถะสมถะคือสติวินัยสติวินัยคือสมถะสมถะคืออมูลหะวินัยอมูลหะวินัยคือสมถะสมถะคือปติญญาตกระณะปฏิญญาตกรณะคือสมถะสมถะคือตัสปาปิยาสิกาตัสปาปิยาสิกาคือสมถะ สมัตคือตินนวัารกะตินนวัารกะคือสมถสมถะเหล่านี้คือเยปุยสิกาสติวินัยอโมลหาวินัยปติญญาตาการะตาสปาปุยสิกาตินนวัารกะเป็นสมถะไม่ใช่เป็นสามมุขาวินัยสัมุขาวินัยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งสัมุขาวินัยสมถะเหล่านี้คือสติวินัยอโมลหาวินัย ปติญญาตะกรณะตัสปาปิยสิกาตินนวถารกะสามุขาวินัยเป็นสมถะไม่ใช่เป็นเยปุยสิกาเยปุยสิกาเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งเยปุยสิกาสมถะเหล่านี้คืออมูลหะวินัยปติญญาตกรณะตัสปาปยสิกาตินนวถารกะสามุขาวินัยเยปุยสิกาเป็นสมถะไม่ใช่เป็นสติวินัย สติวินัยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งสติวินัยสมถะเหล่านี้คือปฏิญญาตะกรระตัสปาปยสิกาตินวัธารกะสามุขาวินัยเยผุยัสกาสติวินัยเป็นสมถะไม่ใช่เป็นอมูลหะวินัยอมูลหะวินัยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งอมูลหะวินัยสมถะเหล่านี้คือตาสปาปยสสกาตินวัธารกะ สมุขาวินัยเยปุยสิกาสติวินัยอมูลหาวินัยเป็นสมถะไม่ใช่เป็นปฏิญญาตะกระณะปฏิญญาตะกระณะเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งปฏิญญาตะกระณะสมถะเหล่านี้คือตินวัฏารกะสามุขาวินัยเยปุยสิกาสติวินัยอโมลหาวินัยปฏิญญาตะกระณะเป็นสมถะ ไม่ใช่เป็นตัสปาปิยสิกาตัสปาปิยสิกาเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งตัสปาปิยสิกาสมถะเหล่านี้คือสมุขาวินัยเยพุยาสิกาสติวินัยอโมลหาวินัยปฏิญญาตกระณะตัสปาปิยสิกาเป็นสมถะไม่ใช่เป็นตินนวัตารกะตินนวัตารกะเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งตินนวัตารกะ สมถะสมูขาวินยะวาระที่11จบ